บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ทาสัปายะในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำสัพายะในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ทำสัปพายะในสมาธิ สบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทําสัปพายะในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌาญที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทําสัปพายะในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคละถึง และยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะส ป, ปายการีสูตรที่10จบสมาธิมูลกะจบ 11. สมาปฏิมูลกะทิติสูตรว่าด้วย การเข้าและการตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูลเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌานสีจำพวกนี้บุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกไหนบ้างเคยหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ <S 3. บุคคลผู้ได้ฌาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ ในบุคคลสีจ่จำพวกนั้นบุคคลผู้ด้วยฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปติมุลกะติสูตรที่ส1จบ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 แต่ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌาญบางคนในโลกนี้เป anyway ็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิในบุคคลสีจำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานและถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปฏิมูลกะวุ ธ, ธานสูตรที่12จบ13 <au>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 แต่ไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในความพร้อมในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปัติมูลกะกันลิตรสูตรที่13บจบ 14.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 แต่ไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ2บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ3บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ4บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในอารมณ์ในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปติมูลกะอารมณสูตรที่14จบ15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 และฉลาดในโคจรในสมาธิในบุคคลสีจำพวกนั้นละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปติมูละโคจรสูตรที่15จบ16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 เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิแต่ไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิและฉลาดในอภินิหารในสมาธิในบุคคลสีจำพวกนั้นละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปฏิมูลกะอภินิหารสูตรที่16กจบ สิบเจดสมาปติมูลกะสักกัดจะสูตรว่าด้วยการเข้าและความเคารพในสมาธิอันเป็นมูลเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวาีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกสุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ชาญสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ได้ชาญสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิแต่ไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ 2. บุคคลผู้ไดยชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำโดยเคารพในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. บุคคลผู้ไดยชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ 4. บุคคลผู้ไดยชาญบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิและทำโดยเคารพในสมาธิในบุคคลสีจำพวกนั้นละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปฏิมูลกะส ก, กั จ, จสูตรที่17จบ18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 แต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ 2. บุคบคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำความ eh. เพียรต่อเนื่องในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิและไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ และทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิในบุคคลสีจำพวกนั้นละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาปฏิมูลกะสาตัจจสูตรที่18จบ19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 เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิและทำสัพพายะในสมาธิภิกษุทั้งหลายในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิและทำสัพพายะในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้ม เนยใสจากเนยข้นยอดเนยใสจากเนยใสยอดเนยใสชาวโลกเืรว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นแม้ฉันใดบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิและทำสัพพายะในสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด สมาปฏิมูลกะสปายการีสูที่19จบสมาปฏิมูลกะจบ20ถึง27ทิติมูลกะวุฒานสุตตาธิอัตกะว่าด้วยพระสูตรแปดสูตร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 บุคคลผู้ได้านบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิและไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิและฉลาดในการออกจากสมาธิ ในบุคคลสี่จำพวกนั้นละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดทิติมูลกะวุฒานสุตตาทิอัตกะที่ 20-27 ถึงจบพึงขยายพระสูตรทั้ง8สูตรจนถึงทิติมูลกะส ป, ปายการีสูตรที่27ให้เต็มเหมือนสูตรต้นทิติมูลกะจบ สิถึง34วุฒานมูลกะกันลิตะสุตตาธิสตกะว่าด้วยพระสูตรเจ็สูตรมีวุฒานมูลกะกันลิตะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาววธีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิแต่ไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้านบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิและไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิและฉลาดในความพร้อมในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดวุธานะมูลกะกันลิตะสุตตาธิส ต, ตกะที่2 8ถึง34จบพึงขยายพระสูตรทั้งเจ็สูตร จนถึงวุธานมูลกะส ป, ปายาการีสูตรที่34ให้เต็มเหมือนสูตรต้นวุธานมูลกะจบ 35-40 ถึงการลิตะมูลกะอารมณสุตาธิชักกะ ว่าด้วยพระสูตรหกสูตรมีการลิตะมูลกะอารมณสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิและไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลดาด ใ, ในความพร้อมในสมาธิและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ชาญละถึง สูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดการลิตะมูลกะอารมณะสุตตาธิชักกะที่3 5บถึง40่จบพึ่งขยายประสูตรอีก6สูตรจนถึงการลิตะมูลกะส ป, ปายะการีสูตรที่40ให้เต็มเหมือนสูตรต้นการลิตะมูลกะจบ 4ีอถึงาอารมณมูลกะโคจระสุตตาธิปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีอารมณมูลกะโคจระสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชารบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิและไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิและฉลาดในโคจรในสมาธิ ในบุคคลสีจำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานและถึงสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดอารมณมูลกะโคจระสุตตาธิปัญจกะที่4 1ถึง45้จบพึงขยายพระสูตรทั้งหสูตรจนถึงอารมณมูลกะส ป, ปายาการีสูตรที่45ให้เต็มเหมือนสูตรต้นๆอารมณมูลกะจบ สี่ถึง49เโคเจระมูลกะอภิณีหารสุตตาทิจตุกะว่าด้วยพระสูตรสี่สูตรมีโคจระมูลกะอภิณีหารสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ 2. บุคคลผู้ไดยชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 3. บุคคลผู้ไดยชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีฉลาดในโคจรในสมาธิและไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ 4. บุคคลผู้ไดยชานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในโครจรในสมาธิและฉลาดในอภิิหาในสมาธิภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสายจากเนยข้นยอดเนยใสายจากเนยใส ย, ยอดเนยใสายชาวโลกเือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นแม้ฉันใด บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในโคจรในสมาธิและฉลาดในอภินิหารในสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันและถึงสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดและถึงหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรสมาธิแต่ไม่ทําโดยเคารพในสมาธิและอื่นๆพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารและถึง 1>, 1. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิแต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิและอื่นๆและถึง 1. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิแต่ไม่ทำสัปพายะในสมาธิและอื่นๆโคจระมูรกะ อภินิหารสุตติจตุกะที่4 6ถึง49จบโคจระมูลกะจบ5 0ถึง52าิอภินิหารมูลกะสักกะจสุตติติกะ ว่าด้วยพระสูตรสามสูตรมีอภิณิหาระมูลกะสักกัจจสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารในสมาธิแต่ไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ทำโดยเคารพในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในอภิิหาในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในอภิิหาในสมาธิและไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภิิหาในสมาธิและทำโดยเคารพในสมาธิภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดละถึง 1. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารในสมาธิแต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิและอื่นๆละถึง 1. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ แต่ไม่ทำสปายะในสมาธิและอื่นๆอภินีหารมูลกะส ก, กัจสุตตาทิติกะที่50ถึง52บอจบอภินีหารมูลกะจบ ห้ถึง54สิักกจะมูลกะสาตจัจการีสุตตาธิทุกะว่าด้วยพระสูตรสองสูตรมีสักกดจะมูลกะสาตจัจการีสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทาโดยเคารพในสมาธิ แต่ไ <invece> ม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้าญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิแต่ไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้านบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ทำโดยเคารพในสมาธิและไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้าญบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ทำโดยเคารพในสมาธิและทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิภิกษุทั้งหลายในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานละถึงสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดละถึงหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำโดยเคารพในสมาธิแต่ไม่ทำสัปายะในสมาธิและอื่นๆ สกัจะมูลกะสาตัจการีสุตตาธิทุกะที่53ถึง54จบห5สาตัดจะมูลกะส ป, ปายกการีสูตรว่าด้วย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 2. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำสัปพายะในสมาธิแต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิและไม่ทำสัปพายะในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิและทำสัปพายะในสมาธิ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 ยอดเนยใสชาวโลกเือว่าเป็นเลิศในบรรดา น, นมสดเป็นต้นนั้นแม้ฉันใดบุคคลผู้ได้ชาญที่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิและทำสัพปายะในสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัดนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดี ต่างชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลสาตั จ, จะมูลกะสั ป, ปายการีสูตรที่ห5จบพึงขยายความพระสูทั้งห5นี้ให้พิสดารชาณะสังยุตจบ พสูตรที่มีในสังยุตตินี้คือ 1. สมาธิมูลกะสมาปติสูตร 2. สมาธิมูลกะทิติสูตร 3. สมาธิมูลกะวุ ธ, ธานสูตร 4. สมาธิมูลกะการลิตรสูตรห้สมาธิมูลกะอารมณสูตร 6. สมาธิมูลกะโคจรสูตร 7. สมาธิมูลกะอภินิหารสูตร 8. สมาธิมูลกะสกักกะจการีสูตรเก้าสมาธิมูลกะสาตตะจาการีสูตรส0สมาธิมูลกะสปายาการีสูตรส1สมาป ต, ติมูลกะทิติสูตรส2สสมาป ต, ติมูลกะวุธานาสูตรส3 สมาปัติมูลกะกัลิตาสูตร 14. สมาปติมูลกะอารามณะสูตร 15. สมาปติมูลกะโคจระสูตร 16. สมาปัติมูลกะอภินิหารสูตร 17. สมาปติมูลกะสักกัจจะสูตร 18. สมาปติมูลกะสาตัจจะสูตร19 สมาปัตติมูลกะส ป, ปายการีสูตร 20-27 ทิติมูลกะวุธานสุตาธิอัตธกะ 28-34 วุธาณมูลกะกันลิตะสุตาธิสัตกะ 35-40 กันลิตะมูลกะอรรมณสุตาธิฉักกะ 41-45 อารมณมูลกะโคจระสุตตาธิปันจกะ 46-49 งโคจระมูลกะอภินิหาระสุตตาธิจตุกะ 50-52 อภินิหาระมูลกะสักกัจจะสุตตาธิติกะ53 54. สถึงห้สักกัจจะมูลกะสาตจักการีสุตตาธิทุกะ55ห สาตจามูลกะส ป, ปายการีสูตรขันธวารวักที่สจบรวมสังยุตที่มีในขันธวารวักนี้คือ 1. คขันธสังยุตส์ 2. ราธสังยุต สามทิฐิสังยุตสี่อกันตสังยุตห้าอุปาทะสังยุตหกกิเลสะสังยุตเ ด, ดสารีปุตตสังยุตแปนาคสังยุตเสุปันนะสังยุตสิคันทภะกายสังยุตส1วลาหากะสังยุตสิ วัชโคตสังยุต13ชาณะสังยุตคันธวารวัคคะสังยุตจบบริบูรณ